นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พิปรุงธรรมะคู่หนึ่งบ่อยๆนั่นก็คือศรัทธากับปัญญาธรรมะทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นธรรมะหลักในการนับถือพระพุทธศาสนา และความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาและการปฏิบัติของบุคคลตลอดถึงผลสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นล้วนแล้วแต่อิงอาศัยอยู่กับศรัทธาและปัญญาเสมอทานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องพัฒนาการทางจิต เป็นผลตรงมาจากการศัตรูของพระพุทธเจ้าราะการละกิเลสก็ดีการทำธรรมะให้บังเกิดขึ้นก็ดีนั้นพระผู้มีพระพรภาคเจ้าทรงสัผัส ด, ด้วยพระองค์เองมาก่อนแล้วก็นำหลักธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนแต่บุคคลที่ฟังคำสั่งสอนนั้นท่านที่มีพื้นฐานสติปัญญาสูงมากพอ ก็อตีใช้ปัญญาวินิชพิจนาวินิจัยธรรมะเหล่านั้นและนำมาประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลได้ในขณะนั้นๆก็มีอยู่ไม่น้อยโดยยังพบพระเทราที่ขังธรรมะแล้วบรรลุมรรคผลไปเลยก็มีทั้งภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกาซึ่งแสดงเห็นว่าภูมิธรรมคือปัญญาของท่านเหล่านั้น มีความแหลมคมลึกซึ้งสามารถตามธรรมะที่ทรงแสดงได้ทุกขั้นตอนราบรรลุมรผลได้เจตนางนเขมามาครอาพ ร, าระพุทธเจ้าด้วยความจำใจใเราเห็นในชัดว่าศรัทธาความเลื่อมใสนั้นก็คงมีไม่มากพอประูุบังคับผืในใจมาแต่เมื่อได้พบเห็นพระพุทธเจ้า แต่สัมผัสความสงบเย็นพระมหากรุณาของพระเจ้าสทาก็เกิดขึ้นแต่พอทรงแสดงธรรมะไม่มากน ะ, ะนางก็ได้พิจารณาและวบรรลุผลเป็นพระหันทั้งทางที่ยังเป็นคารวะจุคือแม่แตพยะตะ ร, รออุจิระจนถ้าปุนีก็แสดงให้เห็นทั้งสองอย่าง คือพลังของศรัท ธ, ธาและพลังของปัญญาที่มีความแก่กล้าพอๆ ก, กันโดยการบอกกล่าวของเทวดาว่าท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์แต่ควรจะไปเฝ้าพระอระหันต์คือพระพุทธเจ้าถึงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านเชื่อทันทีคําเชื่อเหล่านั้นก็เกิดจากเชื่อเทวดาที่บอกแล้วก็เชื่อการมีอยู่ของพระพุทธเจ้า เปเนตตัดสินใจเดินมาเพื่อจะคว้าหรวพ่อพระเจ้าโดยไม่พักเลยแล้วเมื่อมาถึงหลพบพระเจ้าก็รีบเร่งไปตามจนถึงสถานที่กำบังเสด็จเบียบิณฑบาตอยู่ mm hmm. เมื่อขอร้องพระเจ้าทรงแสดงธรรมพระเจ้าเห็นว่าในขณะนี้ท่านปิติท่านมากใจกำลังเือบปิ่มวงังกรรมะก็ไม่รูมกัน กระสังว่าเป็นเวลาที่ไม่ควรพระองค์กำลังเที่บินธบาตอยู่ก็ให้เสร็จบินธบาตก่อนอาศัยพื้นฐานของปัญญาที่ท่านมีอยู่อย่างลึกซึ้งท่านได้กล่าถูงพระพุทธเจ้าว่าคือท่านไม่แน่ใจในชีวิตของท่านเองว่าจะอยู่ถึงช่วงนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจในประชดประชีพของพระพุทธเจ้าว่าจะอยู่ถึงช่วงนั้นหรือเปล่า เพาะความตายกําลังลุกไล่เข้ามาก่ อ, อ, นา อ, อ, อนพระเจ้าเสด็จบินทบาทเสร็จท่านอาจจะตายจะแล้วหรือพระเจ้าอาจจะนิพพานจะแล้วก็ได้มันแสดงให้เห็นถึงการมองทุกขสติชัดเจนมากมองกระบวนการความเกิดความแก่ความตายที่ไล่ติดตามบุคคลไปทุกคนทุกแห่ง่าแสดงตัวมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้ เพราะพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพียงสั้นๆโดยทำใจต่ออารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสพอเมื่อเห็นก็คิดแต่ว่าสักแต่ว่าคิดได้ยินก็คิดแต่ว่าสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็คิดสักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่นำไปปรุงคิดคิ ด, คดปรุงให้เพิ่มกินเลยเป็นการมองใน ล, ลักษณะรู้เท่าทันต่ออารมณ์เดอกนั้น ไอสิ่งที่มองนั้นก็คือทุกขสัตจิติสัมปชัญญะที่เราลึกรู้ทันอารมณ์นั้นก็คือมรรคสัจการมองในแนวนั้นกิเลสมันก็เกิดไม่ทันเกิดไม่ได้เพราะปัญญามันเกิดไปเสก่อนก็คล้ายๆความมืดมีเข้าจะเกิดขึ้นแล้วก็จุดแสงสว่างเสก่อนความมืดก็หายไป คทำาเทศนาเพียงสั้นๆเท่านั้นท่านก็บรรลุมรควลเป็นพระหันได้จึงจะเห็นได้นนว่าศรัทธากับปัญญานั้นจะต้องอิงอาศัยกันอย่างนี้ในกรณีของกิเลสประเภทสังโยชน์สามประการที่กล่าวมาโดยลำดับคือความเห็นเปในถือตัวถือตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงก็มีเรามีเขา จริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากความคิดว่ามีเรามีเขาที่เป็นตัวเที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวยืนโด่แล้วก็ไม่มีความแปรผันจากความคิดแนวนี้เองเป็นเหตุให้เพิ่มกิเลสประเภทตัณหาขึ้นมาคือความอยากได้สิ่งต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของตนโดยความรู้สึกลึกๆภายในอยู่ภายในใจของบุคคลเหลนั้น คือคิดว่าของนั้นจะอยู่กับตนตลอดไปและตนจะอยู่บริโภคใช้สอยของนั้นตลอดไปจึงมีการเก็บรวบรวมสะสมไว้เป็นนันมากและแม้ภาะวะตันหาคือความเป็นในด้านต่า ง, างๆก็เหมือนกันคิดว่าตนเป็นตลอดไปพวกนี้จะไม่ประรบถึงใสยลักจะไม่เคยคิดถึงใสหลักจะไม่ค่อยคิดถึงความไม่ทแท้แน่นอนของสิ่งซึ่งตนคค่คย q าปรารถนาตือครอง ควาไม่เทียงแทแน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเพราะการกระสันอยากในรูปแนวนี้มันก็เกิดขึ้นมากและแม้แต่แนวของวิวาตหาก็เกิดขึ้ น, นจากทิฏฐิแต่อีกฝ่ายหนึ่งเธอก็อยู่ตรงเงาข้ามกับแนงนี้วิจิกริชาความเครื่อบแครงสงสัยความไม่แน่ใจ ตัณอมคล้ายๆกับการมองภาพในท่ามกลางบรรยากาศที่ขมุกขมัวเห็นอะไรไม่ค่อยชัดมันก็ไม่แน่ใจก็ปักใจลงไปไม่ได้ก็เกิดลังเลสงสัยจะไปไม่ไปจะดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรทำไม่ควรทำอย่างนี้ก็สงสัยอยู่เลยแล้วศีลรตัตตปรามา a คือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยกอปฏิบัติที่เชื่อถือกันว่าครั้งศักดิ์สิทธ จนถึงก็ปฏิเสธวิธีการเราอื่นการปฏิบัติเราอื่นการยึดถือในอนี้แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีแต่ถ้าระยุดติดมันก็มีปัญหาคือจะไปใส่ร้ายสิ่งอื่นปฏิเสธสิ่งอื่นซึ่งก็ดีเหมือนกันและในขณะเดียวกันมันก็เกิดเป็นความถือรันอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาท การถกเถียงกันความส ง, งบที่ ต, ต, ต, ตัวตัวต้องการจริงๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราสรุปรวมโดยเนื้อหาแล้วกิเลสทั้งหมดนี้เป็นอาการของโมฆะคือความหลงเป็นความรู้ที่ไม่จริงคือรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งการแยกจัดบรรเทากิเลสประเภทนี้ บุคคลสามารถใช้ได้ทั้งสองข้อคือใช้ศรัทธาน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อในฐานะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมใจเชื่อในพระธรรมว่าคําสอนกลุ่มนี้เป็นคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้ลดละให้บรรเทาไปให้จางไปให้คลายไปผลจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ลดละ แต่ใส้ความเชื่อมั่นในพระสังฆรัตตนาน ก, ก็คือพระริยบุคคลซึ่งทั้ก็คือคนคนจะเดียวกับคนทั้งหลายมีหนึ่งหวัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้าเหมือนกันแล้วก็จะเริญนเติบโตมาด้วยอาหารเหมือนกันเกิดมาจากคันมารดาเหมือนกัน และบางองค์ชีวิตเบื้องต้นก่อนจะเป็นพระบุคคลระดับนั้นถ้ากว่ายำแย่กว่าเราในะปัจจุบันได้ทำไปแต่ท่านก็สามารถทำลายพวกสังโยชน์เหล่านี้ไปได้ก็แดงประสังโยชนเ์เหล่านี้กิเลสเหล่านี้บุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถทำลายได้เราก็น้อมใจเชื่อเอา ก่อนที่จะปฏิบัติยังไม่มีปัญญาเห็นเหตุเห็นผลอะไรหรอกแต่ก็เชื่อไปตามนั้นก็ทํานองคล<ม>้ายๆกับลูกเชื่อพ่อแม่ให้ทําเหตุอย่างนั้นแต่ว่าผลที่จริงลูกก็ยังไม่รู้มันเป็นอย่างไงเพียงแต่ว่ามอบใจลงไปที่พ่อแม่ที่ครูบาอาจารย์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่ต้อมีความเชื่อมัน่นความสําเร็จในชีวิตมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน โดยสายพลังคือศรัท ธ, ธาความเชื่อนี้ตัวความเชื่อเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ขจัดกิเลสทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงได้เช่นเดียวกับปัญญาเราจะเห็นว่าเราอาจจะเชื่อในตัวคนในองค์ธรรมในพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นบุคคลเหมือนกัน แต่ความเชื่อในระดับนั้นมันก็ขจัดความไม่เชื่อออกไปได้ความไม่เชื่อนั้นก็เป็นอาการของโมหะเหมือนกันเพขจัดความไม่เชื่อออกไปได้บางจุดยังมีความเครือบแคลงสงสัยยังไม่แน่ใจอาจจะคิดพลานไปอ๊มันเป็นยังไงมันถูกมันทุกมันถูกมันควรยังไงมันอาจจะคิดสั้นไปได้แต่ก็ตัดสินใจว่าเอาตามท่านว่าก็เชื่อตามท่านว่าตรงนี้มันก็ขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้ เราไม่สัมผัสตัวเหตุเพราะเรายังไม่ได้ประกอบเตุเราก็ยังไม่สัมผัสผลเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติไปตามเหตุที่ทรงแสดงว่าจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตรงนี้เราก็ใช้ความเชื่อเอาก็ขจัดความเคลือบแคล ง, งใส่เราไปได้จากนั้นมันก็ขจัดโลภะรือกิเลสประเภทโลภะความเสียดายความสนีความหวงอะไรต่าง พร้อมที่จะระบากจอกทานพร้อมที่สงเคราะห์นุร้อเพิ่มเนื้อเอืเพื่อเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้ธรรมะเป็นทานแต่จริงแล้วพวกนี้เป็นเหตุเราไม่รู้ผลมือนกันเพราะเรายังไม่ได้สร้างเหตุแต่ก็เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไป แต่ต่อไปเนี่ยจากความเชื่อที่มีอยู่ในพระธรรมนั่นเองเราอาจะได้ยินคำสอนที่เกี่ยวกับความโกรธผู้ฆ่าเสมอด้วยความโกรธไม่มีผู้จับเสมอด้วยความโกรธไม่มีความโกรธมีรากเป็นพิษมียอดหวานมียอดมียอดเป็นพิษมีรากหวาน ม, ามีต้นหวานเป็นต้น่าความโกรธเสด้จยังอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสด้จจะไม่เศรา้าโศก เราก็ใช้ความเชื่อเดี๋ยวในที่สุดก็ลดละโทษของความโกรธโดยอาศัยความเชื่อเรี แ, แสดงเห็นว่ากิเลสประเภทโลภะโทสะก็ถูกลดตามไปแต่เปง น, นี้จริงๆแล้วอาศัยพลังของศรัท ธ, ธาซึ่งพระเจ้าทรงสแสดงโดยสรุปไปว่าศรัท ธ, ธาตั้งมั่นแล้วก็ให้สเร็จประโยชน์ ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลศรัทธาเป็นเพื่อนคูคิดมิตรคู่ใจของคนจนถึงก็คนจะข้าห้องน้ำคือกิเลสได้ก็เพระาะศรัทธาตัวเราเ่อกิเลสประเภทโมหะนั้นขจัดด้วยศรัทธาได้ด้วยแต่ที น, นี้บางอย่างถ้าเรามีปัญญาเพราะสินงเหล่านี้ได้เคยศึกษาเรียนรู้ คุณโทษของเขามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโทษพ้าเป็นการพูดถึงกิเลสมันก็มองในแง่ของโทษแต่โทษระดับสังโยชน์ที่จริงเป็นโทษที่เรารู้ด้ใจเราคือยังไม่ออกมาข้างนอกแต่ก็ต้องมองคล้ายๆกับต้นไม้มันมีพิษแต่ว่ายอด ลูกมันไปอยู่อีกไกลจากต้นจนพุกพัน์ไม้เลื้อยทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ไกลก็เราไปกินเอาที่ลูกหรือที่ดอกแล้ว เ, เกิดประสบพิษเข้าก็มองไปที่โคนมันก็คือกันโคนก็เป็นพิษเพราะกิเลสประเภทสังโยชน์ก็คล้ายๆกับโคนอาการที่คนทำไปด้วยอำนาจของกิเลส ไม่ว่าจะเป็นความเห็นเป็นเอตือตัวถือตนถือเราถือเขากลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็มีการต่อสู้มีการแข่งข้าบีดเบียนทำลายล้างกันจนกลายเป็นสงครามในความเป็นสงครามเหล่านั้นถ้าเราตั้งปัญหาขึ้นมาหมายว่าหากคนเหล่านี้ไม่ได้คิดเป็นเราเป็นเขาอย่างน้อยคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นคนด้วยกัน เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นผู้อาศัยโลกด้วยกันคิดว่าศาสนาเดียวกันกีดจับอะไรสักจุดหนึ่งให้ได้เนี่ยแล้วก็สร้างความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกันได้การแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาการเก่งค่าทำลายลางนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เราจะได้คําตอบทันทีโดยการคิดภายในบ้านเล็กๆ สับใดที่ผัวเมียยังมีความรู้สึกเป็นของการแลกกันลูกมีความรู้สึกเคารพนับถือพ่อแม่การหน้าเป็นพ่อแม่ของตนพ่อแม่มีความรักมีความหวงใยมีความอ่อนอนต่อลูกคนใช้ภายในบ้านให้ความเคารพนับถือนายภาพของครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราจะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีการสแสดงความเอือ้อาอรห่วงใจกันมีความเมตตาใครพลั้งพลาดก็เข้าไปโอบปุ้มการให้อภัยเราคอยวุ ธ, ธิภาวะความเจริญในด้านต่างๆควรหลด น, น, นั่นก็คือการย่อโลกมาดูมาดูในบ้านเล็กๆเราก็จะเห็นถึงความสุขความสงบ แต่มาตัวาการจริงๆมาจากอะไรคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันคนนั้นคือพ่อคือแม่คนนั้นคือสามีคนนั้นคือปัญญาคนนั้นคือลูกคนนั้นคือคนใช้คนนั้นคือปู่ย่าตายายภายในบ้านแล้วมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ไปคิดเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งกันเดียวกันความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นในกรณีนี้จึงเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญา แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองที่ตัวสังโยชน์แต่มองผลกระทบจากความรุนแรงของสังโยชน์ที่มันออกมาข้างนอกแล้วซึ่งก็นี้ทั้งสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนแก่คนทั่วไปนั้นไม่ได้สอนลึกขนาดให้ดูที่ใจก็ดูยากายนะแต่ให้ดูที่อาการเขามันแล้วมองลักษณะเชื่อมประสานกัน ใกล้ๆก็เราได้ทราบข่าวของอบายมุกของความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นสมมุติพวกอบายมุกหรือมุดหรือพวกอัจฉรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรเราเห็นหากาเห็นความรุนแรงเห็นความสูญเสียเนการได้รับบาดเจ็บเนการล้มตายการพลัดพรากที่เกิดขึ้นจะถามว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นก็เพราะคนเหล่านั้นรู้สึกเป็นผัาเป็นควาย เป็นคาเป็นความมาจากอะไรมาจากสัจจะทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแสดงเห็นถึงอะไรแสดงเห็นเขาไม่มั่นใจในเรื่องของคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแสดงเห็นความถือยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมเหตุสมผลล้วนแล้วจะเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของกิเลส เราเห็นทังผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งเดล่านั้นพอสาวไปเนี่ยก็จะเจอว่าจริงๆถ้าจิตเขาตั้งไว้ถูกต้องเขาไม่มีความเห็นเป็นถือตัวถือตนอย่างนั้นไม่เครียดแคลงสงสัยในคาสอนในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปมันก็ไม่แรงอะไรขนาดนั้นก็ทำให้เราเห็นโทษของสังโยชน์ซึ่งวันที่จริงมันก็อยู่ภายในใจ แต่ก็เห็นสังโยชพ์เราพอแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเขาจะออกมาทางกายทางมรดาแสดงสีหน้าท่าทางแสดงผลกระทบที่ทยอยกันไม่ขาดสายเนี่ยเป็นสิ่งประจักษ์แก่สายตาของเราเราก็คิดจากเรื่องเหล่านี้ได้นี่ก็แสดงว่าตอนนี้ใช่ปัญญาแล้วพิจารณาเห็นได้ก็เชื่อมโยงได้เพราะสิ่งต่างหลายมันเชื่อมโยงปัญหาสาคัญว่าเราไม่ได้คิดเชื่อมโยง ท า, ทางที่จริงๆแล้วเขาเชื่อมโยงมันนักมักจะมองเฉพาะเพียงส่วนในส่วนหนึ่งเช่นว่าตัดตอนเอาจากตอนปลายที่ปรากฏคือดีหรือไม่ดีก็ตัดเอกจากเฉพาะตรงนั้นมันจึงเกิดการมองผิดพลาดในบางจุดคือไม่ใช่ทุกๆจุดเช่นสมมติว่าเรามองคนรวยเป็นคนจนหรือมองคนจนเป็นคนเกียรครานอย่างเงี้ย ไม่ใช่มองคนรวยเป็นเป็นคนโกงนะฮะมองคนจนเป็นคนเกียร์ครานอันนี้แสดงว่าไม่ถูกต้องเป็นการมองไม่ถึงกระบวนการคือสืบสาวไปดูเราจะเห็นว่าคนรวยบางคนก็ไม่ได้ช่อกโกงอะไรแต่ก็ชายสมาชิกเลียงชีพมีความเฉลียวฉลาดในการประกอบสมาชิกแต่คนจนบางคนก็ไม่ใช่หมายท่านก็เกียร์คราน แต่มันเริ่มมาจากไม่มีอะไรขาดความรอบรู้ขาดการศึกษาและเรียนขาดการส่งเสริมสนับสนุนอาจจะไม่มู่มองหมงมุ่นในบาเยมุกอะไรเลยก็ได้แต่ันอาจจะจนได้บาก น, นาแสดงว่าปัญญา ม, มันจะเกิดการจาแนกแบ่งแยกในการใช้ปัญญาแบ่งแยกนั้นที่จริงแล้วจะส่งสอนปัญญาระดับสูงไว้ ในขณะเดียวกันพอถึงศีลธรรมจัญญาก็จะสอนได้แยกง่ายๆแยกธรรมดาธรรมด า, รรมดาที่เราพูดว่าให้รู้ดีรู้ชั่วอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญแล้วความเสื่อมความเจริญนั้นแล้ก็เป็นผลมาจากอะไรคือสืบสาวไปถึงสาเหตุของความเสื่อมความเจริญอันที่จริงแนวการมองเชื่อมประสานกันเนี่ย เอกสารต่งตางๆที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลไม่ว่าในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่นำมาศึกษานำมายกย่องนำมามตมนิ ก, กันในปัจจุบันเราก็ใช้การมองเชื่อมประสานแม้ความว่าเหตุการณ์บุคคลเหล่านั้นปรากฏในปัจจุบันทำไมคนนี้จึงเจริญก้าวหน้ามันก็ต้องมองย้อนอดีตและเขาเริ่มต้นมาจากอะไรมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรก็สืบเสาะไปถึง พื้นฐานทางครอบครัวเขาซึ่งแน่นอนชาวโลกก็จะมองได้ขนาดนั้นแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่เท่านั้นถ้าจะไปถามพระพุทธเจ้าแทนที่พระเจ้าจะเอาเฉพาะตรงนั้นคือตรงนั้นก็เอาแต่จะสาวไปให้ดูถึงบุพกรรมในอนดีตของเขาด้วยซึ่งกลายเป็นวาสนาบารมีกลายเป็นบารมีธรรม เราจะตอบปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เช่นสมมติ ว, มว่ามีฐานะครอบครัวอย่างนั้นขยันอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นแล้วก็มีเพื่อนที่ทําในแนวเดียว์ดีเยอะทําไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเราก็หาคําตอบไม่ได้ด้วยเงื่อนไขปัจจัยในปัจจุบันเพราะมันเหมือนกันมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือเงื่อนไขในอนดีตได้แก่ บ, บุพบก แต่แล้วเราเราคบการสะท้อนธรรมแนวนี้จากเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่ปรากฏในคัำพิภูศาสนานั้นจะไม่มองเหตุเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันชาติคือจะมองย้อนอดีตไปไกลจนข้ามพบข้ามชาติไปเจยๆเป็นการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระยศสาวกการบังเกิดเป็นเปรตการบังเกิดเป็นเทพบุตรเทวดา บางเกิดเป็นเศรษฐีเป็นประชาชาเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะเงื่อนไขปัจจุบันแต่จะมีย้อนอดีตให้ดูก็ทำให้เราเห็นกระบวนการสองกระบวนการซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ต่อเนื่องตลอดทั้งชาติก่อนแล้วกชาติปัจจุบันนั่นก็คือกรรมเนี่ยตัวกรรมเองมันก็เป็นเป็นอาการนะกรรมเป็นอาการของกิเลสกของธรรมะ เป็นอาการของกิเลสเราเรียกว่าบาปกระทำถ้าเป็นอาการของธรรมะเราเรียกว่าบุญกรรมหรือว่ากุศลกรรมหรื อ, อ ก, กับอกุศลกรรมตรนี้อกุศลกรรมแปลว่าอะไรแปลว่าฉลาดฉลาดหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่กาจัดโมฆะโมฆะมาจากไหนมาจากอวิชชาเพราะว่าเมื่อคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ตกเป็นทาตของกิเลส เพราะจะมองการเชื่อมประสานดังกล่าวกันนั้นแม้ในขณะปัจจุบันเราจะพบว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ยอมทําบาปเพราะอะไรเพราะว่าบาปนั้นเป็นผลที่เราจะต้องรับโดยตรงแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาจากการกระทําบาปนั้นเป็นของสาธารณะไม่ใช่สมบัติติดตัวแต่ว่าเป็นสมบัตินอกตัวนอกกาย พอเราตายแล้วปรากฏว่าเรานําไปเฉพาะบุตรและบาปแต่แตสิ่งที่ทําบาปได้มาก็ทิ้งไว้ในโลกในแนวนี้ปัญญาบางคนสองมองเห็นทั้งระบบมองเห็นอนดีตไรเท่าไรได้ยิ่งดีและมองสู่อนาคตได้ก็ต้องผ่านทะลุชาตินี้ไปด้วยเพราะตามกระบวนการของกรรมคือมองแบบกระบวนการของกรนร ที่พระเจ้ญญาทรงสแสดงถึงการให้ผลของกรรมว่ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อๆไปซึ่งชาติไหนก็ไม่รู้เราหมายความว่าถ้าเกิดทําอะไรไปตามแรงผลักดันของอวิชชาซึ่งเป็นอาการของโมหะที่ออกมาเป็นรูปของสกฤติทิติวิจิกิาสาศีลพัตตระมาต แล้วพรแรงมันก็ออกมาทางวาตถแรงกว่านั้นก็ออกมาทางกายแรงกว่านั้นมันก็มีเครื่องทุ่นแรงเข้าไปใช้จะถึงเป็นระเบิดปรมาณูอะไรอะไรเนี่ยที่จริงแล้วเราจะมองสืบสาวไปแล้วมันก็เกิดมาจากพวกนี้เกิดมาจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาดูแนวตัวอย่างปรมาณูก็ได้นะอเมริกามาทิ้งระเบิดญี่ปุ่นเพราะมองเป็นศัตรูญี่ปุ่นไปถล่มเพอร์นาเบอร์ก็มองอเมริกาเป็นศัตรู ว น, เ อ, นอเมริกากับญี่ปุ่นก็จับมือกันแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายกันแลกเปลี่ยนการทูจตกันก็เป็นมิตรกันไอสงครามแบบทิ้งระเบิดปรามานูแบบถล่มเพอร์นาเ บ, นเบอร์อย่างที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดในขณะนี้แต่ต่อไปก็ไม่แน่เพราะอรหันตแกเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสอกุศลเหมือนเดิมห ม, มายคามเมื่อเกิดรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แ ร, แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนว่า อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วเหตุการณ์อะไรมันก็กลับขึ้นมาได้อีกนั่นเป็นการศึกษาในแนวอาศัยรูปธรรมเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สืกสาวไปไปถึงที่มาของเจตนาเป็นเหตุให้พูดเหตุให้ทำเหตุได้สั่งการเหตุกําหนดเป็นแผนเป็นนโยบายที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันสืบเนื่องมาจากความคิดตัวนี้คิดผิดแล้วคิดถูกแต่คิดผิดมันก็ไปเรื่อย ทางกายก็ผิดวาจา ก, ก็ผิดถ้ามีคนมากเข้ามาร่วมในกิจการนั้นความผิดมันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นพระเจ้าทรงสรุปไปว่าไอ้คนเราที่เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระหรือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเนี่ยโอกาสที่จะพบปร ะ, ป, ระประสบสิ่งที่เป็นสาระนี่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขามีความคิดผิด แต่แม่คิดผิดเป็นเป็นอะไรเป็นเรื่องของปัญญาที่ อ, อดปัญญาไม่มากคือมองเห็นได้เฉพาะจุดไดจุดหนึ่งแต่ก็ไม่มองเห็นอีกลายหลายจุดหรือถ้าเป็นหมอก็อาจจะรักษาโรคหายตรวหนึ่งแต่มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาพอดีคนป่วยตายเลยไม่ได้ตายด้วยโรคที่หมอรักษาหรอกแต่ว่าตายด้วยโรคที่แทรกซ้อนขึ้นมาจากการรักษา แต่ที่นี้ถ้าหากว่าคนมองเห็นสาระว่าเป็นสาระไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราเกิดจากอะไรความดําริชอบความดัมเิชอบเป็นอะไรก็เป็นปัญญาที่นี้จากปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเองมันก็ทําหน้าที่ขจัดโมฆะปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความสนิทเห็นคนผลดีของการให้ทานที่จะ ให้ความสุขแก่ตนในปัจจุบันและในโอกาสต่อไปมีสมัครพระพวกมากมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั่วไปเป็นผู้มีเกียรติในสังคมที่ตนเข้าไปไม่หลงตายตายไปแล้วบังเกิดในสุคติสองข้อนั้นเราก็ใช้ความเชื่อสมข้อแรกเราก็ใช้ปัญญาเราตาม ใ, ใจเราก็เดินไปได้ไปเป็นการขาจัดกิเลสประเภทโลภะเหมือนกันเห็นโทษของการ ความโกรธเอ็นคุณของความไม่โกรธที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นจากการกระทําของบุคคลทั้งหลายเราสืบสาวไปอันนี้เพราะโกรธอันนี้เพราะไม่โกรธอันนี้เพราะเมตตาอันนี้เพราะการุณาคือทุกอย่างมันจะต้องมาจากจิตที่ถูกปรุงก่อนที่เกิดเกิดให้ใหเกิดเป็นความคิดก่อนแล้วก็มีการทํามีการพูดออกไปก็ทําให้บุคคลสามารถลดละความโกรธลงไปได้ ดังนั้นธรรมะสองข้อนี้จึงอิงอาศัยกันลรกันเป็นธรรมะไม่ใช่ขจัดเฉพาะโมฆะแต่ที่จริงแล้วก็จัดหมดทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะพระเจ้าจึงทรงเน้นให้บุคคลพยายามปลูกฝังศรัทธาให้มั่นคงแล้วก็พัฒนาปัญญาขึ้นไปตอ่อจนี้ไปข อ, อให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป